พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงวันพุงนี้เป็นวัน ที่ห้าธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติคำว่าพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาจากไหนมาจากพ่อแม่ไ ม, ไม่ว่าท่านผูดด้ในดะจะลำลึกหรือไม่ลำลึกจะพูดหรือไม่พูดก็พวกเราเกิดมาจากพ่อแม่ ประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติในยุคของพวกเราได้ช่วยเหลือประเทศชาติโครงการพระราชดำริมากมายจนไม่สามารถที่บรรยายได้ทั้งจิบทั้งจ่อยทั้งใหญ่มากมายสรุปแล้วก็คือแผ่นดินของท่าน ท่านปกครองท่านรักดูแลมาโดยตลอดทั้งน้ำทั้งแผ่นดินโดยมากกับเกษตรที่ท่านให้ประชกนนกรดูด้วยความร่มเย็นเป็นสุขคำพูดหรือคำตรัสของท่านออกมาก่อนเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคำนี้มาถกเถียงกันพอสมควร คือบางคนก็อยากจะให้เป็นนี่เป็นศีลพลุงพลังแต่เศรษฐกิจพอเพียงไงว่าทุกหมู่เหล่าให้รู้จักประมาณตนในการเป็นอยู่ให้รู้จักประมาณตนพอประมาณแต่ไม่ใช่ให้ถอยหลังที่พูดที่จะรวยก็ให้รวยได้ไม่อยู่กับที่แต่ผู้ที่จะไม่รวย แต่ก็ไม่ควรจะกู้หนี้ยืมสินจนเหลือล้นพ้นตัวอันนั้นก็แปลว่าไม่รู้จักประมาณตนอันนี้เศรษฐกิจจะไม่พอเพียงถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าหนี้สินพลุงพลังเข้าไปแล้วแต่ทางว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วแปล่าเราหาได้ด้วยความมัน่นด้วยความขยันด้วยสติด้วยปัญญาของเราสุดความสามารถไม่ใช่ว่าจะงอมืองอเท้าไม่ใช่อย่างนั้น เศรษฐกิจพอเพียงไม่ให้ไม่ใช่งอมืองอเท้านะหลักของพระพุทธศาสนาสอนก็ไม่ได้สอนให้คนงอมืองอเท้าแต่บางคนหนึ่งไปยกไปหยิบประเด็นแล้วําคำสอนของพระพุทธเจ้าประเด็นหนึ่งมาพูดแต่ไม่ได้พูดถึงภาพรวมถ้าพูดถึงภาพใดภาพหนึ่งมันก็มันออกมามันก็ไม่ถูกต้องถ้าเอาภาพภาพรวมมาพูดเนี่ย เราจะมองเห็นได้ว่าการเป็นอยู่ของของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันในหลวงที่ท่านตรัสไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำนี้เราต้องมองภาพรวมอย่าไปมองภาพจุดใดจุดหนึ่งถ้ามองจุดใดจุดหนึ่งก็เหมือนกับว่าเราถอยหลังเข้าคลองไม่ให้วิ่งไปข้างหน้าแต่ถ้ า, าว่า เรามองภาพรูปภาพรวมหรือภาพใหญ่แล้วเศรษฐกิจพอเพียงคํานี้นะใครอยู่ในสถานะไหนให้ทําหน้าที่ในสถานะนั้นให้ดีที่สดุดจะเป็นพ่อค้าก็จะเป็นงอมืองอเท้าผู้เป็นผู้จัดการส่งออ ก, กหาตลาดที่จะส่งออกอย่าไปยู่นิ่งเฉยถ้าผู้ที่ทําการงานก็ผู้ที่ทําเกษตรก็ทําำพยายาม จะทำยังไงคือเกษตรตัวเองจะก้าวหน้าเป็นขรรชการก็เหมือนกันจะทํายังไงขรรชการตัวเองจะก้าวหน้าแต่ย่าไปคดจะไปโกงอย่าไปป้นไปจี้เขาให้วิ่งตามาตามช่องที่ตัวเองวิ่งไปเหมือนกับรถนี่ยให้วิ่งตามถนนอย่าพิ้งวิ่งออกนอกคลองอันนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับพระสงฆ์พ้องพระเจ้าสอนว่า อุทานะสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอย่าไปงอมืองอเท้าอย่าไปอยู่เฉยเฉยเราอยู่เราอยู่เรากินทุกทุกวันเราจะไปอยู่เฉยเฉยได้ยังไงเราจะทำยังไงจึงจะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองให้อยู่ด้วยความพาสุขหรือว่าพอเพียงในร่างกายของเรา่วันนี้เราจะกินเราจะทานอาหารข้าวทัพพีหนึง่งเราก็ต้องหา อหาเอาไว้เผื่อให้ได้อืกว่าทัพพีหนึ่งหรือทัพพีครึ่งครึ่งนั้นเก็บไว้หาไว้ทําไมก็เพื่อวันพรุ่งนี้เมื่อวันไม่ได้หาในอุทนนธธานระณ์จอมมตาให้ถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันหาทรัพย์ให้เพียงพอสําหรับอัตภาพของตนเองอราคาสัมปทาเมื่อหาทรัพยบมาแล้วให้รู้จักรักษา ไม่ใช่ว่าหามามาแล้วก็ทิ้งเกลือนไปหมดเออห่าข้าวมาแล้วกันไม่รู้หมูหมากาไกา่ไรเคลียหมดเออพิ่ตาหาอย่างเดียวมาหามานเหลือกหาอย่างเดียวเออไม่รักษาในเมื่อหาหามาแล้วก็รู้จักเก็บที่ไหนที่จะปลอดภัยในทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหามาจะ ต, ต, ตลอดถึงหน้าที่การงานเมื่อเราสอดแสวงหาเราเรียนหนังสือ จากนั้นก็ทำการทํางานพอทําการทํางานก็ได้ยศได้ตําแหน่งได้น้าที่ที่ดีขึ้นก็พยายามรักษาหน้าที่ตําแหน่งของตนเองอันนี้ก็คือข้อจัดว่ารักษาเหมือนกันรักษาหน้าที่ตําแหน่งไม่ใช่ว่าพอได้ตําแหน่งมันก็ลืมลืมตัวกินเหล้าสุราเที่ยวผลที่สุดเขาไล่ออกจากงานแปลว่าไม่รักษาหน้าที่อันนี้ว่ารักคะสัมปทา ถึงพร้อมถึงพร้อมดวยการรักษากรรยานามิตรให้คบเพื่อนดูเพื่อนฝูงของเราคนไหนมี เ, เป็นยังไงจิเยามารยาทการของชีพการเลี้ยงตัวของเขาเขาพุ่งเฟยฟูมเฟอ้อไหม เ, เขาหนักไปทางการพนันไหมหนักไปทางยาเสพติดไหมเขาหนักไปทางไหนเพื่อนของเรา ถ้าเขาไปในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องถอยออบอไม่ดีตพยายามถอยออกัญยามาต้องคบเพื่อนที่ดีออแต่เราจะคบเพื่อนที่ดีทุกคนในโลกที่ดีทุกคนก่อนค่อยคบก็คงจะยากอี่เหมือนกันแต่คนเรามันดีมากดีน้อย เ, ออเราส่วนเราก็เหมือนกันเราเองก็ไม่ใช่เราจะดีทุกอย่างก็ไม่ใช่ออบางทีตัวของเราบางเรื่องบางราว เออมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามต้องคบกัลยาณมิตรอย่าไปคบคนที่เสียหายถ้าคบคนที่เสียหายแล้วเพ้อเพ้อตัวเองเข้าคบเข้าตารางเพ้อเพ้อกัโทษหนักอีกต่างหากเพราะไปคบกับหมู่เพื่อนตัวเองไม่ได้ค่าไม่ได้ค่ายาเสพติดแต่ในรถเนี่ยมันมียาเสพติดหมู่เพื่อนชวนไป ให้ไปกับเปราหน่อยนะแต่เราก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นเพื่อนของเราผลที่ฉุดเนี่ยทอยตําตตรวจจับได้เขาไม่เลาะเฟ้นเรานะเพราะเราอยู่ในรถนะั้นเขาก็หาว่าเป็นหมูเป็นเพื่อนกันสรุปแล้วก็คือกัญยาณมิตรจุดนี้เนะี่ยเราต้องดูให้ดีอีกเหมือนกันกัญญาณมิตรตาคบเพื่อนที่ดีงามที่มินที่เป็นคนดีแล้วก็สัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ นี่หลักของพระพุทธศาสนาที่ในหลวงของเราที่ท่านว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเข้ากันได้กับทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนนะอยู่ในสถานะไหนทำดีที่สุดแต่ถึงยังไงหลวงพ่อย้าอีกว่าหลักของพระพุทธศาสนานะนะั้นปัจจัยสีทั้งหลายทั้งมวล เ พ, เพื่อเลี้ยงร่างกายของเราเท่านั้นเอง เ, อเพื่อเลี้ยงร่างกายข้าวน้ำโภชนาอาหารหาเงินหกักเงินตั้เงินเดือนทำมาหาเลี้ยงชีพกลางวันไม่ได้หยุดกลางคืนไม่ได้หยอดกลางคืนเป็นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวหาเงินกลางคืนเป็นควันใคราน่นอนคุ้นคิดเป็นควันแต่กลางวันหนึ่ง ไฟแลบเลยเนี่ยทำหน้าที่หาเงินหาทรัพย์สมบัติมาเพื่อเลี้ยงร่างกายแต่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะพราะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะถึงพวกท่านทั้งหลายพวกย่าทั้งหลายจะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะไม่มีมันจะหนุ่มไปข้างนาเลี้ยงไปเถ้าเราแก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ถึงที่จุดจุดจบของชีวิตคือร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายหนึง่งเลี้ยงได้ขนนาดหึ่งขนาดหนึ่งแต่ พวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เข้าสู่จิตใจ ใ, ใจมันมีนะพ ร, ระพุทธเจ้าไปโคนความร่างกายนัน้ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอยังเป็นคนอื่นอยู่เสมอยังไม่ใช่เรานะเรานันคือใครพระพุทธเจ้าเรานะท่านทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจะรู้ได้ว่าอันนั้นคือใครคือใจ ใจนั่นคืออะไรคือตัวผู้รู้นามธรรมตัวนึกคิดตัวนึกตัวคิดตัวรู้เรื่องต่างๆตัวนั้นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญจุดนั้นมากกว่าร่างกายร่างกายเนี่มันเป็นเพื่องเป็นเรื่องอาศัยเท่านั้นเองแต่ตัวตัวนั้นตัวนามธรรมตัวนั้นตัวที่มองไม่เห็นตัวนั้นสำคัญตัวนั้นแหะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆ ตัวนั้นไม่มีป่าช้าแต่ร่างกายมีป่าช้าแต่ใจนนั้ไม่มีป่าช้าใจนแก่ไม่เป็นไม่เท่าไม่แก่กายแต่ว่าร่างกายตายสู่จุดจบแน่นอนเพราะนั้นอย่าตั้งใจในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเมื่อสังสมคุณงามความดีแล้วคุณงามความดีจะ ไ, ไหลเข้าไปสู่ใจ ถ้าทำความชั่วความชั่ว i, อะไรก็ไปสู่ใจมันกันเหมือนกันสรุปแล้วคือใจเนี่ยเป็นตู้แซฟเก็บความดีและเก็บความชั่วอยู่ในในใจนั่นนี่แหละหละักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะยกเป็นบาลีขึ้นมาก็ามโนปุพังขา ม, มาธรรมามโนเสถามโนมายาเนี่ย เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจรนขอให้พวกเราคณะสัทธา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนเอาไว้นั่นแนะแต่ร่างกายนี่ก็เราก็พยายามทำดีที่สุดาหาเงินหาทรัพย์สมบัติเพื่อเลี้ยงร่างกายก็จะให้ขาดตกบกพร่องแต่พร้อมกันก็ย่าปล่อยปะละเลย ทางด้านจิตใจจนเกินไปตายแล้วไม่ศูนญตายแล้วเกิดอีก้าพวกเราอยากจะรู้เพพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าพิสชน์อย่างไรจรึงจะรู้ว่าตายแล้วเกิดท่านว่าให้นั่งสมาธิ อ, อนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายอย่างเดียวหรือจะนั่งที่ไหนก็ได้แต่ให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยแต่เร่าตถาคตเนล่านั่งที่โขนต้นโพนะ่ะ เรานั่งที่โคนต้นโพในวันเดือนหกเพนเรานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละคือบุตรบทพิสูจน์ที่เราทำในวันนั้นในเมื่อจิตใจหรือความรู้สึกของเรา ร, รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเรารู้ได้ด้วยตนเองว่า กายกับใจเนี่ยมันคนละอย่างกันคนละอ่านกันแต่อาศัยกันอยู่มโนปุพังคมาธรมาเนี่ยคือใจเนี่ยทีนี้ท่านก็รู้แล้วว่าปุเพเนว่าสานุจิตติยานระลึกชาติขนหลังได้คือใจเนี่ยระลึกชาติขนหลังระลึกถึงเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่กายนะไม่ใช่กายระลึกนะใจนะเนี่เราระลึกได้เนะสมองของเราระลึกได้เมื่อวานมาจากไหนวันก่อนไปอย่างไรนี่แหละ อันนี้ก็คือใจเป็นผูร ล, ลึกได้แต่ทุกนี้สมัยนี้เขาวิทยาศาสตร์เขาแล้วเขามาถึงสีีระสมองอยู่ที่ศีรษะสมองท่านเองคิดได้แต่หลักทำคาสอนของพระพุทธเจ้าใจมันมาใช้สมองอีกทีหนึ่งเนี่สมองของคนก็มีใจมาใช้แต่ถ้าใจถ้าสมองได้รับการกระทบกระเทือน เออหัวนกพื้นนี่างนีเออคือเส้นเลือดแตกในสมองอย่างนี้แปลว่าใจเอาใจมาใช้สมองก็ใช้ไม่ได้เพราะเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันเสียนะมันลวนเออมันก็สั่งผิดสั่งถูกไปเรื่อยท่านนี่เออถึงจะใจจะใช้ผูใจก็หมดเครื่องมือเหมือนกันแต่พอร่างกายตายเลยสมองก็ตายร่างกายก็ตายใจมันขยอบไปที่ไหนแบบเหมือนกับรถตายท่นี้จัตตาร์ในหงมันไม่ติด เอพอพราะเครื่องมันพังแล้วเออขย่าไปขย่ามารถมันกเกา่าซ่อมก็ไม่ไหวละซ่อมไม่ไหวเลยพอซ่อมไม่ไหวกัแล้วจะทํำยังไงฮโซเฟอร์นี่ก็ทิ้งรถเเขาก็ลากเข้าไป้ายาเนี่ยเป็นป้าช้ารถไปแต่ตัวเองก็ออกจากรถไปแหละ น, นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านว่าจุดนั้นแหละจุดที่เราจะออกจาก รถคันนั้นไปเรามีสมบัติในกระเป๋าหรือยังเรามีสมบัติในกระเป๋าหรือยังเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าหรือยังมีเงินอยู่ในบัญชีหรือยังที่จะไปซื้อรถคันใหม่ถ้าเราไม่มีเงินเราไม่ใส่ใจในการหาทรัพย์ใส่กระเป๋าหรือใส่บัญชีของเราไว้นั่นแหละเราต้องตกต่ำถ้าเราไม่มีเงินเลยเราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ทิร้ฉาน ไปไปได้ทั้งนั้นนะใจตรงนี้ใจตรงนี้มันไปได้ทั้งนั้นนะมันไม่ใช่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะไม่เกิดเป็นสัตว์สาราศิงก็ได้ไปเกิดที่สูงก็ได้แต่ถ้าเราทำใจให้สูงมันก็เกิดไปสูงแต่ถ้าเราทำใจให้ต่ำมันก็เกิดไปต่ำถ้าเราทำวาความชั่วความชั่วที่เราทำมันก็พาเราไปสู่ทางต่ำตกนรกได้ทั้งนั้น ท่านไม่รับรองเรื่องใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะสูงตลอดไม่ใช่กรรมเป็นเครื่องพักดันกรรมคือการกระทำเป็นเป็นผู้พาไปในจุดนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันท่านรับรองนะรับรองไม่ตกต่ำพระโสดาบันเป็นผู้เนี่ยมีสินห้าโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษาพระศิสินห้าของพร ะ, พระโสดาบันไม่ต้องรักษาเป็นศิลอัตโนมัติ ไม่ฆ่าสัตว์โดยเจตนาไม่ขโมยของคนอื่นโดยเจตนาไม่ลาลาบและล่วงสามีคนอื่นโดยเจตนาไม่โมโกโหกไม่โกหกโดยเจตนาไม่ดื่มสุราดโดยเกิดเจตนาจากนั้นก็กรรมมาบทสิบเข้าไปอีกอกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละอันนี้ก็คือเป็น ทำของพระโสดาบันแต่นอกจากนั้นลงมาแล้วไม่แน่นอนคุ้มดีคุ้มลายถ้าโมโหขึ้นมาฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้เนี่แหละอันนี้คือคือต่าจากพระโสดาบันลงมายังไม่มาตรฐานยังไม่แน่นอนนี่แหละพราะพระพุทธเจ้ารับรองว่าพระโสดาบันคือเป็นศีลอัตโนมัติไม่ต้องรักษา มันเป็นเครื่องอยู่ของพระโสดาบันเลยสินห้าเป็นพื้นฐานแต่ศินอุโบสถเป็นพื้นฐานของพระพระอนาคามีนั่นแหะอันนี้คือพระระหรันต์นี่คือศิลสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดคือศิลพระรหันต์นี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกท่านได้ตรัสเอาไว้สรุปแล้วคือท่านเน้นหนักเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต่เรื่องร่างกายเนี่ย ถึงจะเลี้ยงธนุถนอมขนาดไหนก็แต่เพียงร้อยปีนี่ก็เริ่มหมดสภาพแล้วต้องพยุงซ้ายพยุงขวาพยุงปีกละผลที่สู่ก็ถึงจุดจบเพราะหมดอายุของมันะหมดอายุของร่างกายแต่ก็นับว่าดีนะขนาดเนื้อหนังบางสาเพียงแค่นี้ก็ยังอยู่ได้ขนาดนั้นขนดรถขนาดรถนะมีแต่เครื่องเหล็กเมีแต่เล็ก มีแต่ของแข็งแข็งประกอบเข้ากันก็ยังใช้เพียงสิปนะีก็เกือบหมดสภาพแล้วนะนะรถนะถ้าสิบกว่าปีเข้าไปแล้วเพราะว่าเกือบจะเป็นเสร็จเหล็กแล้วแต่ร่างกายของมนุษย์ยังหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ยังพอทนไหวเะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตสังเกตจะใช้ปัญญา การกลองไตรตรองตามธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธญาสอนด้วยหลักเหตุผลนะเอาเหตุผลมาพูดกันไม่ได้พูดในเชื่อในเชื่อมันจะเป็นอย่างน้เป็นอย่างนี้เดาอย่างน้เดาอย่างนี้อย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันโดยมากผู้ที่เรียนสูงสูงปริญญาตรีโทเอก ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไม่อยากจะเชื่อนะเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาเลยไม่อยากจะเชื่อนะแต่พอพ่อเชื่อไปเชื่อหมอดูเถิดหมอดูเขาหมอเดาวเขาโกหกยั่ในโอ้เชื่อมุดหลวงพ่อได้เห็นเออพวกนี้ชอบเชื่อหมอหมอดูหมอเดาว่ะอถ้าหมอดูหมอเดาบอยยังไงเนี่ยพวกนี้เชื่อมดหูตั้งฟังแต่เวลากลุ่มบ่ายอาจารย์พระสงฆ์พูดตามความเป็นจริงย ธรรมะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะโดยมากพวกนี่จะหูทวนลมเอถ้าพอหมอดูเข้ามา น, ะนั่นแหละอแต่หมอดูหมอเดาเอหมอเดาบางทีมันก็อย่างว่าเอเดาไปเรื่อยเจ้าเกิดมาเนี่ถูกหมากัดเนี่ยไมมไม่เคยหมากัดยถ้ามีหมากัดมันต้องหมาเ ห, าเห่าล่ะโอ้สมมาไม่เหา่าจะว่าอย่างไง เอ้ก็ไม่เคยได้ไปไหนหมาก็ไม่ใครเห่านะไม่เห่าก็ต้องมองดูแหละเอาให้มันถูกอย่างนแต่ทํายังไงจริงจะถูกเนะี่ยโดยมากหมอดูหมอเดาจะลักษณะอย่างนั้นนะ่ะให้พวกเราสังเกตดูนะแต่ก็ไม่ว่ากันนะหมอดูหมอเดาคืดีอยู่ถ้าจะว่าไปในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการก็มีหมอเดาเนะี่ยที่พรามณ์ทํานายพระพุทธเจ้าทํานายปุริสาลักษณะเนะี่ยเขาก็เอาตํารากเก่าแก่มาพูดเหมือนกัน น่าเชื่อถือได้แต่โดยมากบางทีก็แต่ถึงยังไงรู้แล้วจะทํำยังไงรู้แล้วจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงรู้แล้วจะได้ยังไงได้อะไรคนที่คนที่มันไม่ดีเพราะอะไรในหลักของพุทธศาสนาเพราะตัวเองทํากรรมชั่วมาก่อนเมื่อตัวเองทํากรรมชั่วมาก่อนแล้วมันก็ผลก็ไม่ดีเลยสิแต่ตัวเองทํากรรมดีไว้มันก็ต้องดี พระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านที่บุริศาลักษณะท่านจะดีโงเ่เฮงท่านจะดีก็เพราะท่านสร้างบารมีมาตั้งนมนานตั้งเสียสงไข่กาไรแสนมหากัฐท่านจะได้ตัดรู้แล้วในชาตินี้เพราะนั้นโงเ่เฮงท่านกนดีปริศารักษณะของท่านกนดีดีหมดทุกอย่างจนหาที่ตําหนิไม่ได้เพราะอะไรเพราะบารมีของท่านพร้อมแล้วอดีตท่านสร้างมาแล้วนี่พวกเราทํากรรมชั่ว เสียหายจนพอแรงเลยจะมาจะมาให้มันดีเลยจะดีได้ยังไงเมือนกับเราเอไปฆ่าคนมาหยกหย ก, ยกไปป้นไปจี้ไ ป, ไปโคดไปโกงมาแล้วเลยจะว่าให้ตัวเองเป็นคนดีได้งไงมิแต่ตำรวจเขาจะจับเข้าคุกเข้าตารางใช่เพราะอะไรเพราะตัวเองทำไม่ดีมาเนี่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนากรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร